ตอนนี้เรียนปฐมเคลัญสุปสูตรที่ว่าด้วยเรื่องพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ทิสุปที่เป็นไข้แล้วก็ตรัสให้ทิสุ oh. เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอในทุกๆ ท, กที่ทุกๆเวลาทุกทุกสถานการณ์ให้พยายามฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะมีสติคือการไม่ลืมกายไม่ลืมใจต น, นเอง ตามดูอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมแล้วก็มีสัมปชัญญะคือมีความรู้ตัวอยู่เสมอในการกระทำของจิตเล็กน้อยหรื อ, อ่าจิตน้อยใหญ่ต่างๆมีการกู้เข้าเยยนออกเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังการนุ่งห่มสวมเสื้อผ้าจนกระทั่งถึงการถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้มีความรู้ตัวอันนี้แหละพระองค์ตรัสว่าเป็นอนุสาสมี คือคำพร่ําสอนคําบอกคําสอนให้เราเอาไปประพฤติปฏิบัติพระองค์ ก, ก็สันเสริญอันนี้นะปฏิหารถ้าจะมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นพระองค์ก็สันเสริญอันนี้ไม่ได้สันเสริญการหับได้นะใครหอบได้พระองค์ก็ไม่ได้สันเสริญอะไรหรือว่าใครรู้ใจคนอื่นพระองค์ก็ไม่ได้สันเสริญมีแต่พระองค์รังเกียจแล้วก็ระภามากกว่าสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันเหน็ดมันเหน่อยมันต้องมาต่อสู้กันทําไปแล้วคนก็งงเปล่า อยู่ดีๆไม่งงพอไปดูเขาแสดงอิทิฤทธิ์ไปดูเอ๊ะมันทําได้ยังไงวะเนี่ยมังงกว่าเดิมอยู่ดีๆไม่งงพอไปดูเขาแล้วงงกว่าเดิมปูรง่ายคือดูเขาแล้วโ ง, ง่กว่าเดิมไม่ได้ฉลาดขึ้นอะไรเลยนะอันนั้นพระองค์จึงอื่นอัดประอาจะใช้เฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเองถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ใช้เลยนะครับที่พระองค์สรรเสริญก็มีอนุสาสนีปาฏิหารคือ คำพร่ำสอนคำบอกคำสอนที่มีปฏิหารเป็นของจริงเอาไปฝึกฝนแล้วก็จะละความยินดียินร้าในโลกได้เข้าใจตัวเองได้เข้าใจคนอื่นได้เข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆหมดทุกไปอันนี้เป็นปฏิหารที่พระพุทธเจ้าสั่งเสิริฟเรียกว่าอนุสาสนิปฏิหารนะครับพระค์ไม่ได้สั่งเสิริฟปฏิหารแสดงฤธิหรือว่า เป็นผู้วิเศษหรือว่าทำอะไรได้ประหลาดอัศจรรย์กว่าคนอื่นไม่ใช่เรอการโสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหารคือการมีสติมีสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตที่มีศิลปะที่ดีใช้ชีวิตที่ดีงามไม่ทุกเนี่เป็นปาฏิหารที่ยอดสุดแล้วนะอุตส่าห์องได้หอไปหอมมาเจอสาวสวยหลน่นอางนี้ก็ไม่ได้เลือก นะไม่รู้จะหออไปทำไมหออไปก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรสู้ใช้ชีวิตแบบไม่ทุกข์ดีกวา่ามีปฏิหารตัวกันมากนะครับอันนี้แหละเป็นอนุสาสนีนะครับเราก็สันเสริญอยู่บ่อยๆนะเรื่องนี้นะครับทีนี้ถ้าเราฝึกฝนมีสติมีสัมปชัญญะไปอย่างนี้นะก็จะเกิดความเข้าใจความจริงไปตามลดับ เราก็จะได้แสดงเอาไว้ในย่อหน้าที่5้าต่อไปว่าเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนี้เวลามีสภาวะใดๆเกิดขึ้นแล้วคนนั้นก็จะเกิดปัญญาเข้าใจความจริงได้แต่ขั้นต้นนะก็ต้องมีสติสัมปชัญญะเอาไว้ใช้ชีวิตอย่างมีสติมีสัมปชัญญะนะครับพูดอย่างมีสติสัมปชัญญะนิ่งก็เหมือนกันนิ่งอย่างมีความรู้ตัวมีสติมีสัมปชัญญะ จะเยียดจะคูจะกินจะดื่มอย่างมีสตินะถ้ามันลงไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็ฝึกเัาสังเกตเอานะต่อไปในย่อหน้าที่5้านะครับอ่านพร้อมกันนะตัะเจพิคเวพิกุนโนเอวังสัตสะสัมปชาสะอัปปมตัตตสัสอาตาปิโนโ ปะอิตตัสสะวิหารโตอุปัชติสุขาเวดนาสโสเอวังปะชานาติอุปปนาโหมอายมสุขาเวดนาสาจาักโหมติดจักโนอัปปติดจักกิงปติจักอิ ม, มเะเมวกายามติดจัก ายังโขปนะ迦โยอะนิจโจสังขโตปฏิจจะสมุปปโนอะนิจจังปนะโขปนสังขตังปฏิจจสมุปปนางกายังปฏิจจอุปปนาสุขาเวนากุโตนิจจาภวิสติติโสกาเยจ่ สุขายาจเวเดนายะอานิจาญุปัสีวิหรติวัานุปัสีวิหรติวิราญานุปัสีวิหรตินิโรธานุปัสีวิหรติปฏินิสขานุปัสีวิหรติตัสสากาเยจ่า สุขาญาจเวณนายะอณิจจานุปัสสิโนวิหารโตวยานุปัสสิโนวิหารโตวิราานุปัสสิโนวิหารโตนิโรธานุปัสสิโนวิหารโตปฏินิสักานุปัสสิโนวิหารโต โยกายเยจจสุขายะจัเวนายาปราคานุสยโสปหิยตินี่เมื่อมีการฝึกสติสัมปชัญญะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่เสมอเมื่อมีสภาวะใดๆเกิดขึ้นก็จะเห็นความจริงของสิ่งนั้นๆได้พระองค์ตรัสว่า ตัสสะเจพิขเวติกุโนเอวังสัตตสัมประชานัสสัดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าภิกษุนั้นมีสติอยู่อย่างนี้เอวังสัตตสักก็คือมีสติอยู่อย่างนี้อย่างที่บอกเอาไว้นั่นก็คือกาเยกายานุปัสสีวิหรติเวทนาส น, านุปัสสีวิหรติจิตเตจิตานุปัสสีวิหรติ ทมเมสุธทำมานุปัสสีวิขาดติแบบนั้นแหละอย่างที่ได้แสดงไปแล้วนะเอวังสัตสัเมื่อภิสุมีสติอยู่อย่างนี้สัมปชานัสสัมมีความรู้ตัวอยู่อย่างนี้มีความรู้ตัวยังไง ร, รู้ตัวในการก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังรู้ตัวในการแลดูเหลียวดูทุกๆนะจ๊ะ มีสติอยู่อย่างนี้มีสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ปรมัตตสัจเป็นผู้ไม่ประมาทไม่หลงลืมไม่ประมาทในวัยเป็นหนุ่มก็ไม่ลืมแกนะ่เป็นหนุม่มไม่ใช่ลืมแกะนะหนุ่มกับแก่มันอยู่ติดกันอยูนะ่ร่างกายสบายก็ไม่ลืมป่วยสบายกับป่วยมันคู่กันอยูนะ่ได้เห็นคนเกิด ก, ก็ไม่ลืมตาย คนเกิดก็ไม่หลงยินดีเพราะว่าเกิดกับตายมันคู่กันอยู่ได้ทรัพย์สมบัติมาก็ไม่ลืมการสูญเสียไปมันเป็นธรรมดาอยู่นี่เรียกว่าคนไม่ประมาทไม่ประมาทในลาบไม่ประมาทในวายไม่ประมาทในยศในเงินในทองเราก็จะอยู่กับมันได้เป็นสุขแล้วก็เมื่อมันสูญไปหรือเราจะไปจากมันเราก็ไม่ทุกขนะ์ได้มาแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง แกคนอื่นๆแก่ญาติแกพี่แก่น้องแก่พ่อแกแม่แก่สังคมอย่างนี้นในในเดยว่าคนไม่ประมาทนะครับใช้ชีวิตอย่างถูกต้องสมควรไม่หลงอัปมาตสสะเป็นผู้ไม่ประมาทอาตาพิโนโมีความเพียรเผากิเลสปาหิตตัตสสะมีจิตใจที่ส่งไปแล้วมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวตั้งมัน่น จิตใจที่ส่งไปแล้ววิหารโตและก็ดำเนินชีวิตอยู่นะครับเนี่ยคนที่มีสติมีสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทมีความเพียนเผากิเลสมีจิตใจที่ส่งไปแล้วคาว่าส่งไปแล้วนี่หมายถึงว่าจิตใจเขาไม่ยึดติดข้องอยู่กับทางโลกหมายถึงว่าเขาฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นอิสระมีความสุขเพิ่มขึ้นไม่ได้ชอบทุกข์อีกต่อไปแล้ว เราทั้งหลายนั้นโดยส่วนใหญ่เป็นพวกชอบความทุกข์พวกชอบความทุกข์นี้จิตใจเขาไม่เด็ดเดี่ยวเขาชอบหาที่ยึดที่ก่อนหายึดที่โน่นยึดที่นี่บางคนก็ยึดดวงดาวยึดอะไรไปนะเวลาเขาเกิดความทุกข์ขึ้นก็ไปหาหมอดูคุณเกิดราศีไหนดาวไหนเขาอะไรเงี้นะเขาจิตใจอ่อนแอเวลาจิตใจอ่อนแอเขาก็หาที่ยึดให้รู้ว่ามีคนยังสนใจเขาอยู่ ดวงดาวอยู่ไกลๆนี่ยังสนใจเขาอยู่ขนาดก้อนหินในโลกมันยังไม่สนใจเลยนะดาวไห้มันจะมาสนใจในคุณยังไมู่้มีแตนะ่หมอดูเท่านั้นแล้มันหลอกเราได้เรายอมให้เขาหลอกก็าตามสบายนะคุณเกิดราศีนูน้นดาวนูวน้นพระศุกเข้าพระเสาแทรกอะไรก็วา่าไปคือให้รู้สึกว่าดาวนี่มันยังสนใจเราอยู่ขนาดหมาเนี่ยมันยังไม่สนใจเราเลยบางทีนะ ดาวันมันจะมาสนใจเราทำไมไม่เกี่ยวหรอกนะครับทุกคนก็เป็นไปตามกรรมนะทีนี้คนโดยส่วนใหญ่นั้นจิตใจอ่อนแอไม่เด็ดเดี่ยว <c oughs> เขาก็หาอันนั้นยึดหานี้ยึดอันนั้นเรียกว่าพวกจิตใจอ่อนแอแต่คนที่มีสติสัมปชัญญะเขาจะเป็นพวกจิตใจเด็ดเดี่ยวนะของที่สูญเสียไปก็สูญเสียนะรู้จักพึ่งตนเอง เห็นสิ่งต่างๆหรือว่าหวังผลที่จะได้สิ่งต่างๆจากการกระทาไม่ได้หวังผลจากลอยๆมาไม่ได้หวังผลจากผู้มีอานาจบันดาลให้หรือว่าครุขหรือว่าคนนี้จะเอามาให้แต่ว่าหวังผลจากการกระทากระทาแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เ็าเรียกว่าคนใจเด็ดเดียวนะครับเนี่ยคนที่มีสติสัมปชัญญะคนไม่ประมาทนะจะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยว นะครับเชื่อมั่นในการกระทาไม่ใช่ใครบอกกันนั้นนิดอันนีนน้หน่อยก็ลงไปตามเขาอยู่เลยนะเราทั้งหลายชอบแบบนั้นนะจิตใจมันอ่อนแอพอจิตใจมันอ่อนแอแล้วก็ชอบหาที่พึ้ไปจับนั่นจับนี่จับโน้นที่วัวนะถ้าอย่างยาที่สุดก็ไปจับดวงดาวจับต้นไม้จับจองปลวงมเป็นที่พึ้นเหมือนที่เราทายกันนะ<อ>เกิดราศีนี้อย่างโน้นอย่างนี้นะ ราศีนี้เป็นคู่กับราศีโน้นอะไรก็ไม่รู้นะจริงๆไม่ต้องอย่างนั้นหรอกนะคนไม่ดูราศีก็ยังแต่งกันเยอะแยะคนดูราศีแล้วแต่งกันแล้วเดี๋ยวก็เลิกกันเยอะแยะเลยมันไม่เกี่ยวหรอกนะแต่เราก็ชอบชอบอย่างนั้นเพราะว่าจิตใจมันอ่อนพอจิตใจมันอ่อนก็พยายามหาว่าจะมีใครให้เรายึดได้มีใครสนใจเราบ้างในเมื่อคนด้วยกันมันไม่สนใจกันก็ต้องหาดวงดาว ที่มันอยู่ไกลๆต้อมาสนใจเพราะก้อนหินในโลกมันไม่ยอมสนใจเรากเอนโน่นเอาจักรวาลโน่นเอาดาวโน่นาดาวเนี่ยมันจะสนใจเราเวลาเราเกิดจริงๆคนเกิดคนตายในโลกมันไม่สนใจเราต่อให้ดังขนาดไหนตายมันก็ไม่สนใจมันก็เหมือนใบไม้แห้งหล่นเท่า น, นั้นเองไม่ได้มีอะไรนะแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะนะครับฉะนั้นเราฝึกไปนะก็จะเป็นคน มีใจเด็ดเดี่ยวเห็นการเกิดการตายการพบกันการจากกันเป็นเรื่องธรรมดาฝึกฝนเพื่อจะเป็นอิสระแล้วก็หลุดพ้นไปจากโลกเท่านั้นอย่างนี้นะเมื่อเข้าใจความจริงก็จะเป็นอย่างนี้เป็นผู้ที่มีตนส่งไปแล้วมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวเมื่อเป็นอย่างนี้นะเมื่อมีสภาวะใดๆเกิดขึ้นคนนั้นก็จะรู้ความจริง อุปปัชติสุขาเวทนาเมื่อมีสุขเวทนาเกิดขึ้นเมื่อมีสุขเวทนาเกิดขึ้นมาโสเอวังประช า, าติที่สุดนั้นก็จะรู้ความจริงอย่างนี้ว่าอุปปนาโขเมีอยางสุขาเวทนาสุขเวทนาอันนี้เกิดขึ้นแกเราแล้วสุขเวทนามันเกิดไม่ใช่ตัวเรานะเห็นไหม คนที่มีสติมีสัมปชัญญะเขาจะเห็นว่ามันเป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นแกเราแล้วไม่ใช่เราเป็นสุขนะแต่สุขมันเกิดขึ้นแกเราเรานั่งนานหรือว่านั่งที่สบายนั่งนานมันปวดมันเกิด น, นั่งบิดไปบิดมาความสุขมันเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นแกเราแล้วโซจัดโหปฏิจจ์แต่ว่าสุขเวทนานั้นมันอิงอาศัยสิ่งอื่นเกิด โนอปติจจะไม่ใช่ไม่อาศัยสิ่งหรือเกิดกิงปฏิจจะอาศัยอะไรละ่ะอิมะเมวะกายังปฏิจจะอาศัยร่างกายนี้ความสุขที่มันเกิดขึ้นนี่นะมันอาศัยร่างกายอาศัยเกิดในร่างกายนี้นะอาศัยร่างกายเกิดอยังโขปนากายโยอานิจโจแต่ว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งไม่เที่ยงสังคโตเป็นสิ่ง ปรุงแต่งปฏิจจสมุปปนโนเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะเห็นไหมสุขเวทนามันเกิดกับเรามันเกิดที่ไหนล่ะมันอิงอาศัยอะไรเกิดมันเกิดที่ร่างกายแล้วร่างกายเที่ยงไหมร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งอิงอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยร่างกายเราที่เป็นตัวๆอยู่เนี่ย ถ้าเรียงลาดับไปตั้งแต่เล็กเลยก็หน้าตาเหมือนกันเป็นวุ้นพอกันเลยยังไม่เป็นเพศหญิงเพศชายไดยสซ้ำไปอยู่ในท้องแม่แล้วก็เติบโตมาี่เรื่อยๆอาศัยอาหารอาศัยท่าทั้งโลกใส่เข้าไปอาศัยอากาศอย่างนี้จนเป็นรูปร่างอย่างนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเด็กไม่เที่ยงจริงโตโตไม่เที่ยงจึงแก่แก่ไม่เที่ยงจึงตายตายไม่เที่ยงจริงเกิดใหม่กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แม้แต่ร่างกายที่ สุกมันเกิดเลยนะสิ่งที่ทําให้มันเกิดมันยังไม่เที่ยงเลยตัวมันจะเที่ยงไหมทีเนี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้เนี่นะสมมุติยกตัวอย่างเรื่องสุขเวทนาที่เกิดในกายทีนี้ถ้าเป็นเรื่องอื่นไปแล้วคนมีสติสัมปชัญญะโอ้เห็นคนนี้แล้วสบายใจไอ้คนนี้เที่ยงไหมเห็นมันตลอดไหมไม่ได้เห็นตลอดเห็นแป๊บเดียวมันก็ไปนะ้นกวการความสบายใจที่เกิดจากการเห็นมันจะเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงอย่างเงี้นะ นี่มันก็จะเข้าใจความจริงนะเราได้เงินมาปุ้สบายใจเงินนี้มันเที่ยงไหมไม่เที่ยงความสบายใจที่มันเกิดมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะขนาดตัวเราที่ทําให้มันเกิดมันยังไม่ยอมเที่ยงเลยอย่างนี้นะเมื่อเข้าใจความจริงก็จะอยู่ความจริงได้โดยไม่ถุกนี่เป็นผลประโยชน์ของการมีสติมีสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทอยู่เสมอไม่หลงเอาใจไปติดไปข้องกับอันใดอันหนึ่ง ไม่สนองอัตตาตัวตนว่าเราเป็นอย่างองุ้นอย่างนี้ให้มีสติเอาไว้นะครับนะให้สนใจตนเองเอาไว้นะไม่ต้องไปสนใจว่าโลกจะเป็นยังไงหมอดูจะว่ายังไงหมามันสนใจเราหรือเปล่าก้อนหินสนใจเราหรือเปล่าไม่ต้องสนใจเราเนี่ยชอบคนสนใจนะใช่ไหมนะชอบคนสนใจนะเดินที่มืดๆ ก, ก็กลัวผีคิดว่าผีจะสนใจเราหรือเปล่า เขาจากเขไม่สนใจเราผีก็ไมสนใจเรื่องของเขาหนะัคนด้วยกันยังไม่ค่อยสนใจเราเลยผีมันจะมาสนใจคอเราทําไมนะแต่เรานี่อะไรก็ไม่รู้มั่วไปเรื่อยหนะลงหลงง ม, มงายไปเรื่อยนะครับนั้นเพราะว่าเราขาดสติขาดสัมปชัญญะนะแบบนั้นก็จะถูกหลอกได้ง่ายๆนะครับนี้ถ้ามีสติสัมปชัญญะถ้ามีสภาวะเกิดขึ้นในที่นี้ท่านกล่าวถึงสุขเวทนะ เมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นที่ส่วนนั้นก็รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสุขเวทนานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็สุขเวทนานั้นน่ะมันอิงอาศัยสิ่งอื่นเกิดไม่ใช่ว่าไม่ยิงอาศัยมันไม่ได้เกิดมาลอยลอยยิงอาศัยอะไรหลักอิงอาศัยร่างกายนี้แหละเกิดขึ้นก็ร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของปลุงแต่งเป็นสิ่งที่ยิงอาศัยสิ่ง อ, อื่นเกิดขึ้นเหมือนกันอันนี้จังปัญหา อั น, นิีจังโผปณะสังขตังปฏิจจสมุปป น, นัมกายังปฏิจจอุปป น, นาสุขาเวทนาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยร่างกายที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่งเป็นของอิงอาศัยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนี้อุปโตนิจาภพวิสติจะ ก, กลายเป็นของเที่ยงจากที่ไหนนอกมันจะเที่ยงได้อย่างไรมันเองอาศัย สิ่งต่างๆเกิดขึ้นสิ่งที่ทําให้มันเกิดยังไม่เที่ยงเลยตัวมันจะเที่ยงได้อย่างไร อ, อย่างนี้นะครับเหมือนเราจะไปหาคู่แท้อย่างเงี้ยโอ้ยผู้หญิงคนนี้ยคู่แท้ของคุณเลยอย่างเงี้ยไปเชื่อเขาไหมขนาดเรามันยังไม่แท้เลยนะไอ้คนอื่นจะแท้มันก็โง่เต็มคนแล้ววะนะถ้าพูงัง่ายก็สมพานลนะสมภาละสมมาพาละโง่บรม แต่เราก็คงชอบแบบนั้นเนะเาะตรงนี้ก็หลอกหน่อยอะไรหน่อยมันจะได้มีเรื่องอะไรให้หวือหวาดิอย่างนี้นะแบบนั้นมันก็เป็นคนที่ใจไม่เด็ดเดี่ยวขาดสติขาดสัมปชัญญะเมื่อขาดสติสัมปชัญญะนะเราก็จะไม่มีที่พึ่งเวลาใจไม่มีที่พึ่งมันก็หาอันอื่นเป็นที่พึ่งหาเงินหาทองหายศตตำแหน่งหาเสียงชมหาคนนั้นคนนี้คอยอกอบ บแบบนั้นเราก็จะวนเวียนต่อไปเรื่อยๆหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้นะครับฉะ่ทั้นจะว่าไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะถ้าจะพูดถึงก็คือความอิสระความเป็นที่พึ่งของตนเองได้อันนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะถ้าเราจะไปหาหอืนว่ามันสำคัญอันนี้นก็เป็นความเข้าใจผิดเป็นการเห็นโกงจักเป็นดอกบัวเท่านั้นเอง ว่าสิ่งต่างๆเราไม่สามารถเอาไปได้เลยนะเรามาฝึกฝนนี้เพื่ออิสระจากมันต่างๆเรามาในโลกนี้นะึ่งมีภารกิจเพื่ออิสระจากโลกทําไมต้องมาในโลกด้วยล่ะก็มันยังไม่อิสระหงมันถึงได้มาบ่อยๆนะมาไปเรื่อยถ้าชานี้ยังไม่อิสระอีกชาติต่อไปก็ต้องมาอีกมาอีกมาอี ก, อกไปเรื่อยๆเรื่อยๆวนไปวนมาอยู่นี่แหละแต่มีภารกิจอันเดียวเท่านั้นคือเพื่อ อ, อิสระจากโลก จะได้ไม่ต้องมาอีกนะอิสระจากคนอิสระจากเพื่อนๆนจะได้ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันอีกอนี่นะพบกันเป็นครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> แต่บางคนก็ไม่อย่างงั้นยอมไม่ได้โอ้ชาติหน้าขอให้เจอกันอีกเถอะอย่างเงี้นะเ <c oughs> จอกันตอนเป็นไส้เดือนเนี่ยดีไหมเออคงจะได้เจอกันอยู่หรกก้จะรูักกรือเปล่าน ะ, <c oughs> นะงวัวแต่หลงอยู่นั่น น, น่ะโดนหลงอยู่นั่นน่ะเจอกันตอนเป็นไส้เดือน เจอกันแล้วจะรู้จักกันหรือเปล่าว่าได้สาบานกันไว้ได้ขอกันไว้นะั่นนะนะมันก็เป็นอย่างนี้นะคนเราวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นะครับสิ่งต่างๆมันเป็นของไม่เที่ยงนะครับถ้ามีสติสัมปชัญญะก็จะรู้เมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นภิกษุรูปนั้นก็จะรู้ชัดตามความเป็นจริง เพราะว่าสุขเวทนานั้นเกิดที่กายอาศัยกายเกิดกายนี้เป็นของไม่เที่ยงสุขเวทนาที่อาศัยสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันจับเที่ยงแต่ที่ไหนนะอย่างนี้ก็เข้าใจความจริงเมื่อตามดูไปบ่อยๆอย่างนี้มีสุขเวทนามีสภาวะต่างๆเกิดขึ้นก็จะเกิดปัญญาเพิ่มขึ้นไปตามลำดับนะโสกาเยจักสุขายะจักเวทนายะพนิจานุปัสสีมิหารติ ท hmm. like ี่สุดนั the er ้นก็จะเป็นผ <im> <studio> ู right ้ที like ่ตามดูความไม่เที่ยงในกายด้วยและในสุขเวทนาด้วยนะเวลาความสุขเกิดขึ้นความสุขนี้อาศัยอะไรเกิดอาศัยกายเกิดกายก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงก็ได้ตามดูทั้งสองอย่างได้ดูกายไม่เที่ยงด้วยอย่างนี้กายเป็นอย่างนี้เลยทําให้สุขเกิดขึ้นอาสุขก็ไม่เที่ยงด้วยนะกายเป็นอย่างอื่นไปแล้วสุขก็เป็นอย่างอื่นไปได้ยินเสียงเสียงนี้ เราะทำให้สบายใจนะเสียงก็ไม่เที่ยงเลิกไนะความสบายใจก็หายไปตามดูความไม่เที่ยงในทั้งของเสียงแล้วก็ความสุขที่เกิดจากเสียงนั้นอันอื่นๆก็ทำ อ, องเดียวกันนะถ้าเราตามดูก็จะเห็หายใจเข้าแป๊บเดียวก็หายใจออกถ้าเหนื่อยๆก็หายใจแรงหน่อยไม่เหนื่อยก็หายใจเบาหน่อยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดนะครับอย่างนี้นะเรียก ว, ว่า อ น, นิจจานุปัสสีคือตามดูความไม่เที่ยงในกายกับในสุขเวทนาอันนี้เป็นตัวอย่างนะถ้าเราตามดูก็ดูสภาวะที่มันเกิดก็จะเห็นเห็นทั้งตัวมันแล้วก็สิ่งที่ทําให้มันเกิดต่างก็ไม่เที่ยงมึนเดินกันนะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะอย่างนี้ตัวเราก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรตัวคนอื่นที่เราเป็นมองเห็น ก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรตัวกระบวนการเห็นก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรตัวเราผู้คิดก็ไม no. ่ได้มีตัวมีตนอะไรเรื่องที mala mala, ่ค <Tu o S 2> ิดก็ไม่ได้มีตัวมีตนกระบวนการคิดก็ไม่ได้มีตัวมีตนทุกสิ่งทุกอย่างต่างอิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นนีนะครับนี้เรียกว่าอนิจจาุปสีวิหารติตตามดูความไม่เที่ยงอยู่ วายานุปสัสสีวิ ห, หรติตามดูความเสื่อมไปอยู่วิราคานุปัสสีวิหรติตามดูความคลายไปของสิ่งต่างๆอยู่นิโรธานุปัสสีวิหรติตามดูความดับไปของสิ่งต่างๆอยู่ปฏินิสักานุปัสสีวิหรติตามดูโดยการสลัดคืนมันไปไม่ยึดถือ ไม่ตะคุกไม่กอดเอาไว้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราสุขก็สุขไปนะสุกเราก็สุขอยู่แต่รู้ว่าสุขมันไม่เที่ยงเราก็สุขไปจนกระทั่งสุขมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันหายไปแล้วก็หายไปเราก็ปล่อยมันไปเราก็ไม่ได้กอดมันเอาไว้อันนี้เรียกว่าปฏิสักขสุขก็คือสุขนั่นแหละมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนอะไรนะเราทานอาหารอร่อย ก็อร่อยนั่นแหละแต่ไม่ได้ติดข้องนะไม่ได้โหยหาไม่ได้ยินดีกับมันอย่างนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าปฏิทินสักคัก็คือการสลัดคืนหรือว่าการปล่อยมันไปไม่ได้ติดข้องอะไรกับมันแล้วนะนะเราทั้งหลายนี้โดยส่วนใหญ่ไม่กล้ากันสลัดนะสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงตั้งนานแล้วเราก็เอามา เป็นเครื่องยึดถือแล้วก็เป็นเครื่องบัญญัติตัวตนกันละเนระนาดแล้วก็โกเขียงกันให้เกิดความทุกข์เช่นบางคนเคยทําไม่ดีไว้ตั้งแต่อดีตพอมีชื่อเสียงขึ้นมาเก็ขุดอดีตมานะถ้าคนนั้นไปยึดเรื่องอดีตไว้มากก็โดนถล่มเข้าไปเล่เป็นหมดอย่างนี้นะแต่ที่จริงอดีตมันดับไปตั้งนานนละ้ไม่ได้มีอะไรนะฉะนั้นต่างคนต่างหลงพอต่างคนต่างหลงก็ทําร้ายกันไลกันด้วยความหลงด้วยความทุกข์ ครับฉะนั้นทุกที่มันเกิดขึ้นมันมาจากกิเลส น, นะมาจากความหลงไม่ใช่มาจากเรื่องว่าเราเคยทําผิดอะไรดอกทุกคนก็ทําผิดทั้งนั้นแหละตอนยังไม่รู้ทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะพอเรารู้แล้วเราก็เลิ ก, กนั้นเองเลิกได้เท่าที่เรามีสติปัญญานะครับฉะนั้นการทําผิดในอดีตเป็นเรื่องธรรมดาการยังพูดอยู่กับบันดีอยู่ก็แสดงว่าคนนั้นไม่ปล่อยมันไปสิ่งนั้นมันไม่เทีย่ยงนานแล้วเรายังไวผูกไวกับมัน ให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวมี ต, มตนอยู่กับอดีเลยรู้สึกว่าโอ้เราไม่ดีเราผิดอะไรพวกนี้อันนี้มันเป็นความรู้สึกสนองตัวตนสนองอัตตาอัตตาชอบความทุกข์นะอะไรที่มันจะทำให้เกิดทุกข์ให้มันคิดถึงอยู่เรืนะ่อยชอบความทุกข์เราอากิเลสนะี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์นะถ้าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นฝ่ายดี เป็นฝ่ายมีสติสัมปชัญญะนี้เป็นชื่อของความสุขเราก็ลองสังเกต ด, ดูนะเราใช้ชีวิตอยู่เป็นยังไงบ้างมันทุกข์หรือว่ามันสุขมันเครียดหรือเปล่ามันวุ่นวายหรือเปล่าถ้ามันวุ่นวายเครียดพิจตกกังวลอันนั้นก็แสดงว่าวิธีชีวิตของเรานั้นขาดสติมีกิเลสถ้าใช้ชีวิตแบบมีสติมีสัมปชัญญะก็จะเป็นสุขสุขแล้วก็ไม่ติดข้องกับสุขด้วยอนนี้นะ เมื่อพิกษุนั้นนะตามดูความไม่เที่ยงตามดูความเสื่อมไปคลายไปความดับไปแล้วก็การสลับคืนในกายแล้วก็ในสุขเวทนานั้นพิกษุรูปนั้นก็จะค่อยๆละปราคฆในกายแล้วก็ในความสุขได้ตัดสากาเ ย, ยจะสุขหายจะเวทนายอาอนิจจานุปัสสิโนเมื่อพิกสุนั้น ตามดูความไม่เที่ยงในกายและในสุขเวทาานาวิหารโตดาเนินชีวิตอยู่วายานุปัสสินโนวิหารโตตามดูความเสื่อมไปวิราคานุปัสสิโนตามดูความคลายไปนิโรธานุปัสสิโนตามดูความดับไปปฏินิสค า, านุปัสสิโนวิหารโตตามดูโดยจิตที่สลัดคืนมานออกไปอยู่อย่างนี้ โยกาเยจจสุขายัจัเวทนายะราคานุสยราคานุใสในกายก็ดีในสุขเวทนาอันใดในสุขเวทนาก็ดีอันใดโสปฏียติราคานุใสอันนั้นก็จะถูกหลักไปได้เราทั้งหลายนะั้นชอบมีราคานุใสคือราคะความกำลักในร่างกายตนเองแล้วก็ในสุขเวทนา ชอบร่างกายตนเองแล้วก็ชอบความสุขเวลาความสุขเกิดขึ้นเราก็จะชอบความสงบเกิดขึ้นเราก็จะชอบใครทําให้เรามีความสุขเราก็จะชอบอันนี้เรียกว่าราคานุสัยเป็นความเคยชินของทิเล็ที่จะเกิดราคะเกิดความชอบความเพลิดเพลินยินดีความเพลิดเพลินยินดีปกตินน ก, ก็จะเกิดในกายตัวเองแล้วก็เกิด กับสุขเวทนาเมื่อเราตามดูความสุขชนิดนี้ไป บ, บ, บ่อยๆว่าแท้ที่จริงมันเป็นของไม่เที่ยงเท่านั้นเองมันก็จะละราคาที่ใสาได้ความชอบในสิ่งต่างๆก็จะลดลงลดลงไปตามลำดับนะครับละความชอบในสุขนะไม่ใช่ละสุขเราก็ยังสุขเหมือนเดิมสุขมากขึ้นไปด้วยแต่ละความชอบในสุขเราก็ยังสงบเหมือนเดิมสงบยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปด้วยแต่ละความชอบในความสงบ เราตั้งหลายชอบสุขแต่ไม่ค่อยได้สุขสังเกตดูนะเราตั้งหลายชอบสงบแต่ไม่ค่อยสงบเพราะอะไรเพราะมันขาสดสติมันผิดว่ามันเถินทางผิดทาผิดอยู่ฉะนั้นอย่าไปชอบมันต้องละมันละสุขแล้วก็จะสุขยิ่งขึ้นไปสุขแล้วก็ไม่ยินดีกับมันเราก็จะสุขยิ่งขึ้นไปอีกเหน็นไมสงบแล้วละความยินดีในความสงบก็จะสงบมากขึ้นไปอีก น, นะมันดูจะตรงกันข้ามกับความรู้สึกของเรานิดหน่อยสุขเราควรจะหาใช่ไหม <c oughs> คาว่าสุขเราควรจะหามานี่ก็แสดงว่าไม่สุขแล้วที่เราหาสุขก็เพราะว่าไม่มีสุขนั่นเองจึงหาสุขหาสิ่งที่ไม่มีมันจะมีไหมก็หาสิ่งที่ไม่มีมันจะมีไหมมันก็ต้องไม่มีแล้วเรามากันหาความสุข แสดงว่าไม่มีความสุขใช่ไหมแสดงว่าไม่มีความสุขจึงไปหาสุขไปหาสิ่งที่ไม่มีมันจะมีหรือเปล่ามันไม่มีอย่างนี้นะครับฉะนั้นความสุขมันจะเกิดจากการเข้าใจความจริงเข้าใจได้เห็นว่ามันเป็นของไม่เอี่ยงมันเป็นของเกิดแล้วดับไปแล้วใจก็ปล่อยมันไปปล่อยมันไปมันก็จะสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไป ความยินดีความชอบนั้นไม่ได้ทําให้เกิดสุขนะมีแต่ทาให้เกิดความทุกข์ความหวังดีต่อการความเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันอันนี้ทําให้เกิดความสุขอันนี้เขาเรียกว่าเมตตาแต่เมื่อใดเมตตามันเิลีกลายเป็นความชอบความกําหนัดเรียบร้อยแล้วอันนั้นก็ก่อให้เกิดความทุกข์เกิดความหงแหงแต่ปกติเราจะรู้ไม่ทันพอรู้ไม่ทันมันก็แยกไม่ออกพอแยกไม่ออกแล้วก็ พุ่ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าราคานุสัยมันไม่ได้ถูกล ะ, ละถ้าอยากให้มันถูกละต้องเห็นว่าสิ่ ง, งต่างๆมันเป็นของไม่เที่ยงเห็นว่าสุขไม่เที่ยงก็จะละราคานุใสในความสุขได้ไนะที่ละความสุกได้ไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องสุกนะละอาหารอร่อยไม่ใช่ว่าไปกินอาหารไม่อร่อยไม่ใช่นะกินอร่อยนั่นแหละแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยง เห็นว่ามันเป็นของไม่คงทนแล้วจะละความเพลิดเพลินในมันได้นะละความติดข้องในความสุขนี้ไม่ใช่ว่าไม่ต้องสุขแต่ว่าให้เห็นว่าสุขมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยั่งยืนเพราะว่ามันเกิดจากเขีนจากปัจจัยสมมติว่าเราดูหนังดูหนังแล้วเกิดความสุขดูหนังไปหนังมันเล่นอย่างเดียวตลอดไม่เล่นตลอดแป๊เดียวมันก็ไปตีกันตีกันเก็ทุกข์ เห็น ไ, ไหมสุขมันยิงอาศัยสิ่งอื่นเกิดสิ่งที่ทำให้มันเกิดมันไม่เที่ยงตัวมันก็ไม่เที่ยงไปด้วยอย่างนี้เราจะละความยินดีในความสุขได้นะไม่ใช่ว่าโอ้ยคุณติดความสุขก็อย่าไปสุขส่ไม่ใช่แค่ะนะให้เราสุขไปแต่ว่าให้รู้ว่าสุขมันไม่เที่ย ง, นะยงนีะการจะละเงินทองก็ทํานองเดียวกันไม่ใช่เอาเงินทองไปโยนยิงแต่รู้ว่าเงินทองเป็นของไม่เที่ยง เป็นของเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะเป็นของอีกอาศัยสิ่งต่างๆเกิดและยศละตําแหน่งก็เหมือนกันไม่ใช่เอายศเอาตําแหน่งไปโยนยิงหรือว่าไปปฏิเสธมันไม่มีอันไหนที่ละได้ก็เรปฏิเสธมันนะมีแต่การเข้าใจความจริงมันจึงจะละได้เราปฏิเสธปัญญาคนนี้ว่าโอ้ยไม่เอาแล้วคนนี้แก่ตักทิ้งเราก็ไม่ผลเพราะว่าัวหน่อยตายไปชาติต่อไปเราก็ไปเอาคนใหม่ หรือว่าในชาตินี้นั่นแหละทิ้งคนนี้ไปแล้วไปเอาอีกค น, นอย่งมันก็ทิ้งไม่ได้นะฮะฉะนั้นการผลักสายโลกไม่ใช่เป็นวิธีการออกจากโลกแต่ว่าความเข้าใจโลกนั่นแหละจะเป็นวิธีการที่จะออกจากโลกเหมือนจะออกจากสุขเวทนาก็เข้าใจความจริงของสุขเวทนานั่นแหละจึงจะออกจากมันได้นะถ้าจะออกจากทุกได้ ก็ไม่ใช่ไปวิ่งหนีทุกแต่เป็นการเข้าใจความจริงของทุกนั่นแหละจึงจะออกจากทุกได้นะก็ทุกๆเวทนาเหมือนกันนะหรือว่าอาทุกขมสุขควา ม, มงงความสงสัยมุนมุนติ้วติ้วไปไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่ใช่ว่าเราวิ่งไปหาความรู้ที่อื่นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจะออกจากนี้ได้ก็ต้องรู้ความจริงของมึนมึนงงงงอันนี้ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่อาศัยสิ่ ง, งต่างๆเกิดขึ้น สิ่งต่างๆที่ทำให้มันเกิดมันไม่เที่ยงตัวมันก็ไม่เที่ยงไปด้วยเมื่อเข้าใจความจริงของมันจึงจะพ้นจากมันได้นี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะจะพ้นจากมันได้โดยการรู้ความจริงของมันนะความจริงของมันะมันเินอาศัยกันและการเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเมื่อกี้กล่าวถึงสุขวินานะครับโดยส่วนใหญ่ กิเลสประเภทราคะความชอบความเพลิดเพลินก็จะอยู่กับสุขเวทนานะต่อไปในหน้าที่สองก็จะกล่าวถึงเวทนาอีชนิดหนึ่งคือทุกขเวทนาก็จะเหมือนกันนะอันนี้ไม่ต้องอ่านนะผมจะ่าให้ฟังเองเพราะว่าเหมือนกันเปลี่ยนแต่ลักษณะของเวทนา ตัสเจพิโคเวยพิกุโนเอวังสัตตสัมปะชานสัตว์ดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อภิกษุนั้นมีสติอยู่อย่างนี้มีความรู้ตัวอยู่อย่างนี้อัปมาตสัสว์มีความไม่ประมาทอาตาปิโนมีความเพียรเผาทิเดปะหิตัตสัตมีตนส่งไปแล้ววิหารโตแล้วก็ดําเนินชีวิตอยู่ปุปปัตสติลุกขาเวทนาทุกเวทนาก็เกิดขึ้น อันนี้เป็นสภาวะอีกอันหนึ่งคือทุกขเวทนาเมื่อยี่สุขเวทนานะโสเอ ว, วังปชาณติที่สุคนั้นก็รู้ความจริงอย่างนี้ว่าปุปปนาโหมยายามทุกขาเวทนาทุกขเวทนานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เบาสาจักโขปฏิจจ์แต่ว่าเวทนานั้นยิงอาศัยสิ่งอื่นเกิดโนองอิจจ์ ไม่ใช่ว่าไม่อิงอาศัยอันไหนที่มันเกิดนะมันไม่ได้มาลนอยมันอิงอาศัยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกิงปฏิจจ์อาศัยอะไรละ่ะอิมะเมวกายังปฏิจจ์อาศัยกายนี้นั่นแหละอายังโหปน ก, กายโย อ, อนิจโจสังคตโตปฏิจจสมุปปนน์ก็แต่ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่ง เป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอณิจังโผปณะสังขตังปฏิจจสมุปปนากายงปฏิจจกุปป น, นาลุกขาเวนนาก็ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายที่มันไม่เที่ยงที่เป็นสิ่งปรุงแตง่งที่มันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นกุตโตนิจารวิสติจะกลายเป็นของเที่ยงแต่ที่ไหนนะดันั้น ที่จะออกจากทุกขเวทนาได้นะที่จะเลิกเศร้าเลิกเครียด ก, กับความทุกเลิกปฏิเสธความทุกเลิกรู้สึกโดนกระทบกระทุกจากความทุกจากอะไรที่เราไม่ได้ดั่งใจนี้ก็โดยการเข้าใจมันนะเข้าใจว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปลน์วนไปเป็นธรรมดาโสกาเยจักลุคขายะเวทนายะอนิจจมุขปสีวิหารติภิกษุนั้น เป็นผู้ที่ตามดูความไม่เที่ยงในกายด้วยและในทุกเวทนาด้วยวยานุปัสสีววราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสขานุปัสสีวิหรารติตามดูความเสื่อมไปตามดูความคลายไปตามดูความดับไปตามดูโดยสลับคืนมันไปตัสสากาเยจัทุขายะจัตเวมนายะ อนิจจานุปัสสโนวิหารโตจนกระทั่งถึงปฏินิสัคานุปัสสโนวิหารโตเมื่อภิสูจน์นั้นตามดูความไม่เที่ยงของกายและของทุกเวทนาจนกระทั่งถึงตามดูโดยสละคืนมันไปโยกาเยจะทุกขายะจัตเวทนายะปฏิคานุสย ο, ปฏิคานุัย ในกายก็ดีในทุกเวทนาก็ดีอันใดโศปะฏิยติปฏิคานใสอันนั้นก็จะถูกหลักไดนะ้ปฏิคานใสเป็นกิเลสชนิดที่เกิดความติดข้องคับข้องใจเกิดปฏิฆะเกิดการปฏิเสธเราทั้งหลายพาการปฏิเสธทุกปฏิเสธความเกลียดความวิตกกังวลทุกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ปฏิเสธเมื่อนั้นะปวดหลังขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่ชอบเมื่อนั้นคะนนั้น เดินไม่สวยก็ปฏิฆาขึ้นมานเงินทองถูกขโมยไปขาดทุนปฏิฆาเกิดขึ้นนะอันนี้เรียกว่าปฏิคานุสัยความเคยชินของจิตประเทศที่จะทำให้เกิดปฏิฆาเกิดความคับแค้นใจเกิดความคับค้องใจเกิดปฏิกิริยาตอบสนองในแง่มุมที่จะปรับมันทีงนะครับ ปฏิคานุสัยส่วนใหญ่ก็เกิดกับทุกขเวทนาเกิดกับเวทนาช น, นิดที่เราไม่ชอบเกิดกับสิ่งที่เราไม่ชอบไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้เป็นราคา น, นุสัยชนิดที่ชอบกอดเอาไว้ยินดีเพลิดเพิน พ, พวกนั้นเกิดกับสุขเราคงจะเป็นอย่างนั้นแล้วสุขเราก็ชอบนะเรื่องปกติเย้ยสงบเราก็ชอบส่วนปฏิคานุสัยโดยปกติก็เกิดกับ ฝ่ายทุกฝ่ายที่เราไม่น่าชอบใจความเจ็บปวยอันนี้ก็จะทําให้เราไม่ชอบเล่นง่ายความเครียดความฟุ้งซ่านอะไรพากนี้ที่เป็นฝ่ายทุกขเวทนาซึ่งจะละปฏิคานู้ใสได้ไม่ใช่เป็นปฏิเสธมันนะหรือว่าไม่ใช่เป็นอิมันแต่ว่าเข้าใจธรรมชาติของมันเข้าใจความจริงมันว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งทุกขเวทนานี้เกิดขึ้นแล้วแก่ตราง แต่ทุกขเวทนา t h i นะมันอิงอาศัยมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอะไรทำให้มันเกิดกายกายเนี้ยทำให้มันเกิดถ้าไม่มีกายมันจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ไม่มีกายเราเนีมันเป็นที่ตั้งของสุขว่างของทุกข์ว่างนะถ้าไม่มีกายไม่มีเนี่ยไม่มีตัวเราที่เราสมมุติมานั่งอยู่เนี่ยสุขทุกข์อะไรต่งตางๆมันก็ไม่มีเลยนะ ทีนี้แม้แต่ตัวเราที่เป็นที่ตั้งของสุขก็ดีที่ตั้งของทุก็ดีมันยังไม่เที่ยงเลยสุขทุกข์ที่มันเกิดแล้วมันจะเที่ยงแต่ที่ไหนนี่ขนาดในร่างกายเราเองนะทีนี้อ่าทั้งน้องๆแคนอื่นล่ะที่เราจะให้เขาเที่ยงจะเป็นไปได้ไหมที่จะไปบังคับหมาบังคับแมวให้มันเห่าตามใจชอบของเราถ้าโจนมาจงเห่าเพื่อนฉันมาอย่าเห่าอันนี้จะได้ไหม อยากเป็นผีเหมือนกันนะนะข้ามฝนข้ามฟ้าหรือว่าไปพูดถึงดวงดาวว่าดวงดาวจะสนใจเราเวลาเราเกิดจะให้พลังอะไรบางอย่างมาเนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่านี่น ะ, นะเราก็เชื่อเราไปเรืยนะพอเชื่อเขาแล้วก็ดูเหมือนเป็นจริงซะด้วยนะนะก็จะเหมือนกับพวกไปหาท้าหัวห น, นะนะถ้าบอกผิดไม่เป็นไรถ้าบอกถูกแล้ดังทีเดียวนะพอๆกันเน ะ, น ะ, นะนะ คนมันหลงเ น, นอันนี้ปฏิฆามุสัยก็ชำระได้โดยการรู้ความจริงของกายและของทุกขเวทนานะครับต่อไปในยอ่อหน้าต่อไปก็จะกล่าวถึงเวทนาอีกชนิดหนึ่งคืออทุคขม ส, สุขเวทนาก็มันเหมือนกันนี่แหละอันทะุคขม ส, สุขขเวทนา ก็เกิดขึ้นทุกขมสุขเวทนาก็คือเวทนาที่จะบอกว่าสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ถึงเป็นเเลอ ER ER ไปงงๆไปหลงๆไปบางทีก็เฉยๆนิ่งๆไปเฉยๆนิ่งๆก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาวนเวียนวนเวียนไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็อทุกขมสุขเวทนาถ้าสุขนี่เราคงจะพอรู้นะทุกข์เราก็คงจะพอรู้อยู่แล้ว ส่วอาทุกขมสุขเวทนามีเยอะวนเวียนวนเวียนไม่รู้อีน้อยแหนไม่รู้เรื่องสงสัยงงเลอะเลมึนมึนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพวกนี้ก็เป็นอาทุกขมาสุขเวทน า, นาแม้กระทั่งเฉยๆยิ่งๆก็เป็นอาทุกขมสุขเวทนาเหมือนกันอย่างนี้นะครับนี้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะนะมีความไม่ประมาทเมื่ออาทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นก็จะรู้ รู้ว่ามันเฉยๆรู้ว่ามันนิ่งๆรู้ว่ามันงงมันสงสัยมันเบลอๆวนเวียนไปไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่ามันถูกมันผิดมันงงมันสงสัยการไม่รู้เนี่ยเป็นอวิชชาคือความไม่รู้นะครับอวิชชาจะละได้ก็โดยการรู้ความจริงของความไม่รู้นั่นแหละรู้ความจริงของความเฉยๆนั่นแหละความนิ่งๆนั่นแหละเฉยๆมันเป็นของไม่เที่ยง เกิดแล้วก็ดับไปเดี๋ยวก็ไม่เฉยง ง, ง, งเกิดแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปนาฉะนั้นความงงนี้ไม่ได้เป็นปัญหานะให้เรารู้ความจริงของมันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงปะนด้นแล้วก็จะสามารถละอวิชชาละอวิชามสัได้ละความไม่รู้ได้เราทั้งหลายนี้โดยส่วนใหญ่ไปพากันหาความรู้หาความรู้จากข้างนอก ไม่ได้สนใจความไม่ร <F ound> <sava> ู้ของตนเองแต่ที่จริงแล้วความไม่รู้นั่นแหละสอนความรู้สอนให้เกิดความรู้ได้ก็ไม่รู้ไม่เที่ยงถ้าเราดูมันเอ๊รู้ไม่รู้ไม่เที่ยงยงนี้นะแล้วมันเกิดแล้วมันก็ดับไปมันก็เกิดความรู้ขึ้นความรู้ก็ไม่เที่ยงทั้หนั้นมันก็ดับไปอีกความรู้มันก็เพิ่มขึ้นไปตามนะความรู้ที่เราต้องการจริงๆเกิดนนี้นะความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาความรู้อริยสัจ ร, รู้ความจริงความจริงที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยมมันได้เนี่ยการรู้อันนี้ก็เรียกว่าวิชารู้อริยสัจส่วนการรู้อืนอ่นมันไม่พ้นตะุกนั้นรู้เรื่องการทํางานรู้เรื่องคนนั้นรู้เรื่องคนนี้รู้เรื่องทางโลกพวกนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเป็นกลางๆอยู่ถ้าไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะก็เป็นเหตุให้เกิดอิเล่เยอะขึ้นไป ถ้ามีสติสัพปพปัญญาก็พอนํามาใช้ประโยชน์ได้บ้างแต่ว่ายังไม่ถึงกับทําให้พ้นทุกข์ได้ถ้าจะถึงความพ้นทุกข์ได้ก็ต้องมีวิชาเห็นสิ่งทั้งหลายนั้นมีแต่ของเปลี่ยนแปลงมีแต่ของไม่คงทนมีแต่ของบังคับไม่ได้นะครับนี่อทุคขมสุขเวทนานะในบรรทัดท้ทายของย่อหน้านี้ ถ้าตามดูความไม่เที่ยงตามดูความเสื่อมไปคลายไปความดับไปแล้วก็สลับคืนอุทุกขมสุขเวทนาโยกาเยจะอทุกขมสุขายะจะเวทนายะอวิชานุสยอวิชานุสัสในกายก็ดีในอทุกขมสุขเวทนาก็ดีอันใดโสปะหิยติ พวิชานุสัยอันนั้นก็จะถูกละได้นะครับอนะวิชานุสัยนี้ละ ย, ยากที่สุดแล้วเพราะว่าดูยากถ้าความสุขเกิดขึ้นนัานก็ยังพอรู้อยู่นะถ้าทุกเกิดขึ้นก็ยังพอรู้อยู่ถ้าเฉยๆไปงงๆไปนี่ส่วนใหญ่ก็หายไปเลยงงไปเลยนี่มันจะถูกหรือมันผิดดีมี้ยสงสัยแหละต้องไปถามอาจารย์นะอย่างนี้นะ โอดไปโวดมาอยู่เนี่ยนะไม่ได้ไปไหนหรอกได้ถามถามโอดไปโวดมาอาจารย์ก็บอกว่าไปดูซิดูดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยดูไปสักหน่อยก็งงอีกแหละงงแล้วก็ถามไปแล้งนั้นเราก็จะได้ถามไปเรื่อยก็จะกลายเป็นนักถามธรรมานะพวกนักเรียนก็จะได้เรียนธรรมะไปเรื่อยพวกนักอะไรก็จะได้เป็นอนั้นต์ไปเรื่อยก็ชอบถามไม่ใช่เหรอพอชอบถามก็จะได้ถามไปเรื่อยๆ เราชอบอะไหนก็จะได้อันน to ัไปเรื่อยๆชอบหาใช่ไหมก็จะหาไปเรื่อยๆหาอาจารย์ก็จะหาอาจารย์นี่แต่อาจารย์นี่ไปอาจารย์โน้นไปอาจารย์โน้นไปอาจารย์โน้นไปเรื่อยๆก็พวกชอบเกิดน่ะก็จะได้เกิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะพวกชอบอยากก็จะได้อยากไปเรื่อยๆท่านลองสังเกตดูก็ได้ท่านอยากมื่อี่รอกแล้ตอนเป็นเด็กๆก็อยากเรียนจบได้เรียนจบแล้วอยากอะไรอีกอยากนน่นอยากนี่อยากนั่น แล้วก็ได้อยากไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะเพราะว่าท่านชอบอย า, ากดังนั้นท่านก็ได้อยากไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเข้าใจความจิตของมันนะเราทั้งหลายชอบหาความสุขนะจึงได้หาไปเรื่อยๆหาจนตายแล้วก็คิดว่าเอ๊ะชาตหน้าถ้าจะมีความสุขแล้ว่นะาติจะมีนักการเมืองประเภทหนึ่งมาบอกท่านว่าเออท่านทำบุญเยอะๆนะต่อไปท่านจะได้ความสุข พวกนี้เขาก็ควบเดียวกันนักการเมืองนักกันเหมืองเขาก็เลือกผมนะผมจะทําให้ท่านมีความสุขเนนะพวกนักกันเมืองอยู่เบียดเด็ ก, ก็บอกว่าท่านทําบุญเยอะๆนะทําแบบนี้นะต่อไปจะได้ไปเป็นสุขเหมือนกันคือให้ความหวังกัอนอย่าง น, นนะเราทั้งหลายก็อย่างนี้แหละใ น, นเมื่อตอนนี้มันยังไม่เป็นสุขก็เอาความสุขไปฝากไว้กับความหวังลมๆแรงๆไปใครที่ให้ความหวังได้ เราก็หลงงงงายไปกับเขาแต่ที่จริงแล้วถ้ามันไม่มีความสุขในตอนนี้ความทุกข์มันเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นถ้าตอนนี้มันเฉยๆก็รู้ว่ามันเฉยๆนี่นะตามสภาวะทงางๆนี้ถ้าว่าตามเวทนาในที่นี้แล้วในชีวิตเราก็ไม่เกินนี้หรอกมีสุขบ้างทุกข์กบ้างทุกขม่สุขบ้างในที่นี้ท่านยกตัวอย่างมาเรื่องเวทนา เพราะว่าแสดงแก่คนป่วยคนป่วยก็จะเห็นเวทนาได้ชัดเจนกว่านะถ้าเราทั่วไปก็ถ้าทำงานวุ่นวายก็จะเรื่องจิตใจก็เหมือนกันแหละจิตที่มันเครียดมันวิตกกังวลมีปัจจัยเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็เป็นของไม่เที่ยนแปลกรวนไปเป็นธรรมดาเราตามดูมันบ่อยๆก็จะละปฏิคารุสใยในมันได้ละความยินรายใ น, นได้ละความปรักไป อันนี้ก็ขอให้ดูไปเรื่อยๆนะครับศึกษาไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจนี่อาศัยเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไวน้นะคือการมีสติมีสัมชัญญาเมื่อมีสภาวะต่างๆเกิดขึ้นก็จะได้รู้ความจริงของมันเมื่อรู้ความจริงของมันราคานุสัยปฏิคานุสัยและอวิชชานุสัยก็จะถูกละได้ราคานุสัยคือความเผยสินของจิตประเภทที่จะทำให้ติดข้องยินดีกับ สิ่งที่ดีๆกับความสุขสิ่งที่ทําให้เราเพลิดเพลิน พ, พอใจเราก็มักจะติดจับข้องอันนี้เรียก ว, ว่าความเคยชินประเภทที่ทําให้เกิดความติดข้องราคะนสัยปฏิคานิสัยความเคยชินของจิตประเภทที่จะทําให้เกิดการตรัสายการปฏิเสธอารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะด้านร่างกายที่มันไม่ค่อยดีอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีและทุกขเวทนา ก็ จ, จะเกิดการปฏิเสธเกิดการไม่เอาผลักใส่กันมาและอวิชชาทุสัยความเคยชินของจิตที่จะเกิดความไม่รู้ความงงงวยไปในสภาวะที่เป็นอทุกขมสุขเวทนามันก็เป็นธรรมดาของมันจนกว่าเราจะเข้าใจธรรมชาติของมันว่ามันเป็นสิ่งหงที่เกิดเกิดเคราะห์อิงอาศัยอิงอาศัยกายนี้เกิดกายนี้ไม่ที่ยงตัวมันก็ต้องไม่เที่ยงดย นะ้าท่านงงท่านสงสัยก็ให้ดูให้สังเกตไปนะต่อไปในหน้าที่สองย่อหน้าสุดท้ายนี่หลนะเมื่อรู้เมื่อเห็นความจริงอย่างนั้นแล้วก็จะเลิกติดข้องเลิกหมกมุ่นหรือว่าเลิกเอาชีวิตไปฝากไว้กับเวทนาต่างๆเอาไปฝากไว้กับ สภาวะต่างๆที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยนะครับในหน้าที่สองหน้าย่อหน้าสุดท้ายพ่วงมาถึงย่อหน้าที่สามอ่านรองกันนะครับโสสุขันเจเวตนาเวยตยติสาอนิจาติปัชานาติอนัชโชสิตาติปะชานาติ อนัพินันติตาติปชานาติลุกขังเจเวดังเวเยะติอนุกขมาสุขังเจเวดังเวเดยะติสาอนิจจติปชานาติอนัโชฌสิตาติปชานาติอนัพินันติตาติปชานาติ โสสุข so, ันเจเวดนานเวรยติวิสัญญุโตนามเวรยติลุกขันเจเวดนานเวรยติวิสัญญุโตนามเวรยติอาทุกขมะสุขันเจเวดนานเวรยติวิสัญญุตโตนาม เวรยติโสกายปริยันติกันเวดนามเวรยมาโนกายปริยันติกันเวดนาังเวรยานีติปัจจานาติชีวิตาปริยันติกรรเวดนาังเวรยมาโนชีวิตาปริยันติกรรม เวดนาเวเยามีติปะชานาติกายสัพเวพาอุทานชีวิตาปริยาดาณาอเทวะสัพเวทดยจายตานิอะนาพินานตานิสีติภวิสันติติปะชานาตินะ เมื่อมีสติสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทตามดูกายตามดูใจมีความรู้ตัวในทำในการทํากิจต่างๆอยู่อย่างนี้นะเมื่อมีสภาวะใดๆเกิดขึ้นก็ได้ตามรู้มันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมีแต่ของเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนี้ไปเรื่อยๆอคนนั้นก็จะเข้าใจความจิตเมื่อเข้าใจความจิตแล้วก็จะไม่หลง ติดข้องในสิ่งต่างๆไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับอันนั้นบ้างฝากไว้กับอันนี้นบ้างนะครับโสสุขันเจเวนังเวทยติหากว่าพิสุทนั้นได้เสวยสุขเวทนา น, นถ้าว่าพิสุนั้ น, นั้นได้รับความสุขมีความสุขเกิดขึ้นแล้วสาอนิจจติประชานติท่านก็รู้ว่า เวทนานั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่สุขนะก็สุขแต่ว่ารู้ว่าสุขนั้นมันไม่เที่ยงเนี่ยให้เรามีสติสัมปชัญญะอย่างนี้ไ ป, ไปบ่อยๆนะต่อไปเวลามีความสุขเกิดขึ้นเราก็จะได้รู้ว่าโอสุขมันไม่เที่ยงเราก็สุขไปจนกว่ามันหมดเหตุมันก็หมดไปเราก็ไม่ห่วงหาอะไรนะก็สบายสุขก็ดีแล้วแต่ว่ารู้ว่าสุขมันเป็นของไม่เที่ยง อนัตโชสิตาติปะชานาติรู้ว่าไม่ควรจะไปหมกมุ่นกับมันสุขก็ไม่ไปหมกมุ่นกับมันไม่เอาชีวิตไปฝากเอาไว้นะเราสามารถมีความสุขได้แต่ว่าอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับสิ่งเราทำนะเราสามารถมีสามีมีภรรยามีลูกมีการงานได้มีความสุขกับมันได้แต่อย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับมันถ้าเอาชีวิตไปฝากไว้กับมัน อันนี้เรียกว่าหมกมุ่นเกินไปะหมกมุ่นกับสามีก็ชีวิตไปฝากไว้กับสามีถ้าสามีดีเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เ็เจอแหละเพราะกลัวมันจะไม่ดีะมันดีเกินมันก็กลัวมันเหมือนกันนะเพราะว่ามันดีเนี่ยนะคนอื่นก็ชอบมันเหมือนกันเหมือนเหมือนเราชอบมันคนอื่นก็ชอบมันมันดีเกินก็ไม่ดีอีกมันไม่ดีเกินก็ไม่ดีอีกอ้อะไรก็ไม่รู้มุ่วไปหมดอันนี้นะมันวุ่นวาย อันนั้นเรียกว่าเราเอาชีวิตไปฝากไว้คับกับมันกับสิ่งอื่นนะครับดันั้นเราสามารถมีความสุขได้แต่รู้ว่าสุขนั้นมันไม่เที่ยงและรู้ว่าไม่ควรหมกมุ่นกับมันอะพิ น, นันทิตาติปะชาณาติไม่ควรหลงเพลิดเพลินไปกับมันไม่เพลิดเพลินไปของความสุขสุขก็สุขได้แต่เราไม่เพลิดเพลินไปกับมันนะไม่ หลงมันไปว่าโอ้สุดนี่คือทั้งชีวิตเราแล้วคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี่สุขที่สุดแล้วเขาชอบพูดกันอย่างนี้นะบางคนโอ้เรียนจบปริญญานี่สุขที่สุดแล้วอะไรนี้นะพอวันต่อมามาแต่งงานโอ้นี่สุขที่สุดแล้วต่อมาแล้วอยู่ด้วยกันเลิกอยากกันโอ้สุขที่สุดอีกแล้วมันหลายเหลือเกินโนี้อะไรก็ไม่รู้มันไม่มีที่สุดอะไรอย่างนั้นหรอกนะอันนั้นเพราะว่าเราเอาชีวิตทีไปฝากไว้กับ สิ่งเหล่านั้นแล้วก็เพลิดเพลินลงไปกับมันแบบนั้นก็จะทําให้เราเป็นทุกข์นะฉะนั้นจะอยู่ด้วยกันจะเลิกกันจะมีลูกจะไม่มีลูกอะไรก็ทําไปเรอยธรรมดาธรรมดาแต่ให้เรามีการศึกษากับมันนะก็คือเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะอนัตโชสิตาติปชานานติรู้ว่าเราไม่ควรไปหมกมุ่นกับมันไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับมัน มีความสุขกับสิ่งต่างๆได้แต่อย่าเอาชีวิตไปฝากเอาไว้ครับสักอย่างเดียวอย่าไปฝากเอาไว้นะให้เป็นที่พึ่งของตนเองโดยการดูกายดูใจเป็นหลักอานาทินันติตาติดประชาณติเห็นว่ามันเป็นสิ่งไม่ควรไปหลงเพลิดเพลินกับมันไม่ใช่ที่สุดแล้วเราทั้งหลายจะมีที่สุดเยอะไปหมดนะอันนี้เราก็หลอกกันไปหลอก ด้านทุกข์ก็ทำนองเดียวกันนะทุกขังเจเวทนาเวทยัญติภิกษุนั้นถ้าท่านได้เสวยทุกขเวทนาก็เหมือนกันก็รู้ว่าทุกขเวทนานั้นก็เป็นของไม่เที่ยงไม่ควรเอาชีวิตไปฝากเอาไว้ไม่ควรหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์ไปมันมีเหตุเกิดขึ้ น, นมีอะไรที่เราแก้ได้เราก็แก้ไปแต่ว่าเราไม่ไปหมกมุ่นกับมัน ไม่เป็นหลงเพลิดเพลินยินดีกับความทุกข์เราทั้งหลายนี่บางทีชอบเพลิดเพลินไปกับความทุกข์เอาความทุกข์ต่างๆนะั้นมาเล่าให้คนอื่นฟังหรือว่ามาระบายมาอะไรต่างๆเนะี่ยเราชอบกบบนั้นนะให้รู้ซะ้างว่าฉันก็ทุกข์จริงๆแต่ละคนมันก็ทุกๆมอือนกันแะคนที่ไม่รู้ก็ทุกๆมือหอนึ่งกันแต่เขาเวลาเขาพูดเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบทุกข์นะแต่เขาชอบพูดถึง เพาะว่ายงนั้นฉะนั้นที่ชอบพูดถึงก็คือชอบทุกข์นั่นเองในเมื่อชอบทุกข์ก็จะได้ทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะเราชอบเนี่ยชอบพูดถึงฉะนั้นก็ต้องมีเหตุการณ์ที่เป็นทุกข์ให้เราได้พูดถึงบ่อยๆเพราะอะไรเพราะเราชอบพูดถึงทุกข์ถ้าเราไม่ชอบเราจะสนใจไหมไม่สนใจถ้าเราไม่ชอบหมาไม่ชอบแมวตัวนี้เราเดินผ่านไม่สนใจหรอกฉะนั้นถ้าเราสนใจหรือว่าพูดถึงมันนี่แสดงว่าเราชอบมัน ฉะนั้นอันไหนที่เราชอบเราก็จะได้มาได้ก ล, ลับไปกลับมาเห็นไหมเราทั้งหลายนี่ไม่ยอมพ้นจากโลกสักทีไม่ยอมพ้นจากสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างสักทีก็เพราะว่าเราติดข้องกับสิ่งที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างนั่นเองนะครับทีนี้จะได้ดีมากดีน้อยไม่ดีมากไม่ดีน้อยยังไงก็อยู่ที่การกระทากลับคืา แต่ถ้าเราอยากจะออกจากมันด้วยอยากจะอิสระจากมันเราก็ต้องฝึกฝนให้เข้าใจความจริงของมันคือมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นหนตานีแต่ของอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสิ่งที่ทำให้มันเกิดยังไม่เที่ยงเลยตัวมันจะเที่ยงได้อย่างไร น, นะอทุกขธมสุขเวทนาก็ทำนองเดียวกันนะครับ อทุกขมสุขเวทนาอทุกขมาสุขขังเจเวทนาเวทยติเมื่อได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาสาอนิจจติประชานาติท่านก็รู้ว่าเวทนาชนิดนั้นเป็นของไม่เที่ยงอนาโชสิตาติประชานาติเป็นของที่ไม่ควรไปหงุ้นงิดกันอนัทิณิตาติเป็นประชานาติรู้ชัดว่าเป็นของที่ ไม่ควรหลงเพลิดเพลินไปกับมันนะครับเมื่อรู้ความจริงอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะ mm hmm. ก็อลอยวางไปท่านก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีอิเลไม่มีความติดข้องมีความสุขอยู่ตามสมควรทุกข์ก็มีตามสมควรแต่ทุกขมสุขก็มีตามสมควรแต่ว่าไม่มีอิเล โสสุขันเจเวทนานเวทญาติภิกษุนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยสุขเกเวทนาวิสัญญุตโตนางเวทันติก็เป็นผู้ที่มีจิตหลัสจกักกิเลสแล้วก็เสวยเวทนาชนิดนั้นเป็นสุขก็สุขเหมือนกันแต่ว่าไม่มีกิเลิ น, นี่ก็สําหรับคนที่เห็นความจริงมีปัญญาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะเราทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ยังทํำไม่ได้ก็จะมียินดียินรักถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ยินดีก็ให้เรารู้ว่าตอนนี้มันสุขตอนนี้มันยินดีไปเรื่อยๆนะแล้วพอมีปัญญาเพิ่มขึ้นมันก็จะค่อยๆเป็นผู้ปราศจากทิเลตแล้วก็สเสวยเวทนาชนิด น, นั้นได้ดังนั้นคนที่ไม่มีกิเลสก็สุขได้ คนที่ไม่มีกิเลสก็ทานอาหารน่าอร่อยได้ยิ่งกิเลสน้อยลงไปเท่าไหร่ความสุขก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นท่านจึงอูประมาณระโสดรบัลเนี่ยนะที่ท่านละกิเลสได้ระดับนั้นเนี่ยว่าสุขมากกว่าพระเจ้าจะกรลับมันสุขต่างกันเยอะอย่างเรานี่สุขสุดๆส่วนใหญ่จะสุกกไกลมากกว่าสุขก็ยังไม่ได้มันไม่ใช่สุขแบบสบายใจ ปลอกโปหรือว่าตื่นเริงรมไม่ใชงี้ยนี่ที่ท่านอุปมาอย่างพระโสดาบันท่านอุปมาว่าจากความทุกข์ที่มีเป็นภูเขามันหายไปหมดแล้วเหลือแค่เจ็ดก้อนเท่านั้นเองน้อยมากเลยเลือทุกข์แล้วทุกข์ที่มันหายไปมันกลายเป็นอะไรเป็นความสุขอะได้สุขมา ก, ก น, นะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีคนเลสเฉลยความมีความสุขมากแต่ไม่มี รูค ว, วามสุขเป็นของเที่ยงนะอย่างนี้มันสบายกันเดยดังนั้นเราลองมันเดี๋ ด, ดูนะอ่าเรามีนั่นมีนี่ขึ้นมาแล้วเนะี่ยไม่เห็นความจริงของมันมีขึ้นมาแล้วมันสุขไหมถ้ามีบางอย่างขึ้นมาแล้วมีตําแหน่งเรามีตําแหน่งนี้แสดงว่าเราจับตําแหน่งให้มันเป็นของเที่ยงใช่ไหมทั้งๆ ท, ที่มันไม่เที่ยงเขาบอกว่าเออคุณจงเอาเก้าอี้ตัวนี้ไปนะพอเขาพูดเสร็จมันดับไปแล้ว เร า, าอ้าวเราได้เ้าอินตัวนี้มันจริงเล้เขาอินตนี้มันก็ไม่เที่ยงเห็นมันแป๊บเดียวเรากลับบ้านเขาไม่เห็นนะแต่เราก็ยังนึกว่ามันเป็นอยู่ในนั้นแหละพอมันเป็นขึ้นมาสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราพยายามจะให้มันเที่ยงเราก็เครียดแล้วกับเขาีินตนี้นะฉะนั้นเรามีอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นภาระเป็นความเครียดความวิตกกังวลขึ้นมาทุกๆุกอย่ แต่ถ้าเราเข้าใจความจริงของมัน่าเออเนี่เขาให้ตําแหน่งนี้เรามาสมมุติขึ้นมาเป็นหัวโขนขึ้นมาอันนึ่งนะให้เรามาทําหน้าทีหา่หน้าที่นี้เพื่อให้ในบริษัทหรือว่าให้องค์กรนี้มันดําเนินไปได้เราก็เป็นเครื่องจักรหรือเฟืองอันหนึ่งเหมือนรถยนต์สมมุติเราเป็นล้อเราก็ทําหน้าที่อันนี้เราก็มาทําหน้าที่อันนี้มันดีนะฮะมาทําหน้าที่มันดีเราไม่เอาความรู้สึกตัวตนไม่เอาความจริงจังเข้าไปหมกมุ่นไปเพลิดเพลินยินดีกับมัน อันนี้เราก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ทํางานได้นกะันทำงานสบายเลยนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นคนที่ท่านไม่ยึดติดท่านก็สามารถทํางานได้นะทำงานได้ดีกว่าพวกยึดติดนะครับนี้พิกสุนั้นถ้าเสวยสุขเวทนาวิสัญญุตโตนังเวทญติก็เป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนา ลุกขันเจเวทนางเวริยติถ้าหากท่านได้เสวยทุกขเวทนาถ้าท่านเป็นผู้ขึ้นมานะวิสัญญุโตนางเวริยติก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนาแต่ผู้ที่รู้ความจริงก็ยังมีทุกข์อยู่โดยเฉพาะทุกข์ทางกายนี่ไม่สามารถเลี่ยงได้แต่ทุกข์ทางใจก็น้อยลงน้อยลงตามที่กิเลสมันลดลงนะครับส่วนทุกทางกายนี้ก็เหมือนเหมือนการทุกคนนะนะั่นแหละเป็นธรรมดา แต่ว่าทุกขางใจก็ลดลงตามจํานวนกิเลสที่ลดลงพวกที่กิเลสเต็มก็มีที่ให้เกิดทุกข์ได้มากนะครับอจุขมสุขันเจเวนังเวทัญติถ้าท่านได้เสวยอจุขมสุขวเวทนาวิสัญญุโตนามเวทัญติก็เป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสเสวยเวทนานั้น ท่านก็ยังมีเวทนามีความรู้สึกเหมือนเดิมนะมีความคิดความนึกเหมือนเดิมสุขบ้างทุกข์บ้างเหมือนเดิมแต่ไม่มีกิเลสเป็นผู้ปราศจากกิเลสนะทีนี้เมื่อตอนจะตายเมื่อตอนจะตายเวลาจะตายนี้ถ้าบางคนเจ็บป่วยเวลาเจ็บปวดมากๆนี้ก็จะเวทนาทางกายเยอะร่างกายมันจะแตกนะมันก็มันก็เจ็บมากนะ ถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกฝนสติสัมปชัญญะเอาไว้ก็ช่วงนั้นก็จะทุรนทุรายมากด้านจิตใจก็เจ็บปวดมากเพราะว่าจะต้องทิ้งทุกอย่างไปคนไม่ได้ฝึกฝนเอาไว้ก็จะเจ็บปวดทั้งด้านกายก็เจ็บปวดทั้งด้านใจก็เจ็บปวดนี่นะฉะนั้นเราฝึกฝนสติสัมปชัญญะทําบุญหรือว่าฝึกปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่เพื่อให้มันตายดีๆนะเราจะตายดีหรือตายไม่ดีไม่สำคัญนะ รู้ว่าตอนตายมันมีสติสัมปชัญญะไหมเราฝึกสติสัมปชัญญะอาจจะตายเล็กก็ได้นะเพราะว่าขับรถไปขับรถดีๆอยู่ชาวบ้านชนเราเล็กตุกเป๊ะไปแล้วก็ได้นะ่ไม่ใช่ว่าคนฝึกสติสัมปชัญญะรือว่าพวกคาบุญจะต้องตายแบบนิ่งๆเสมอกนไปไม่ใช่งานหรอกนะแต่ว่าเครื่องวัดเนี่ยไม่ใช่ตัวเนี่ยว่าเราจะไปดีหรือไปไม่ดีเครื่องวัดคือการมีสติสัมปชัญญะ ก็คือจิตใจที่เศร้าหมองไหมถ้าเศร้าหมองตอนนั้นก็ไปอภายถ้าไม่เศร้าหมองก็ไปสุคติโลกสวรคงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นภาพลักษณ์ว่าโอ้ยคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยโอ้ยนิ่งนะหลับตายไปเลยอย่างเงี้ยนะไหลไปเลยอย่างเงี้ยนะนั่นก็บางคน น, นั่งบางคนก็โอ้โหเจ็บปวดมากแล้วก็ตายอะไรพวกนี้นะบางท่านนี้ก่อนมาดูธรรมนี่เจ็บปวดมาก อันนี้เขาเรียกว่าพวกที่มีปัญญารู้เวทนาที่จะทําให้ความสิ้นไปของชีวิตได้มีตัวอย่างในพระไตรปิฎกหลายเรื่องนะก็คือแม้แต่เวทนาชนิดที่จะทําให้ตายก็ทําให้เกิดการบรรลุได้บางท่านพิสูุบางคนนะเจ็บป่วยพอเจ็บป่วยแล้วปฏิบัติธรรมเข้าฌานอะไรมันก็ลำบากมันก็เสื่อมอยู่เรื่อยท่านก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวพอหายป่วยแล้วจะทําฌานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ตายไปเลยแล้วก็จะได้ไปเกิดเป็นพรหมไม่มาแล้วโลกมนุษย์นี้ว่าอย่างนี้นะะมันหลายครั้งแล้วนะอย่างนี้นะทีนี้พอท่านสบายดีแล้วท่านก็เตรียมตัวตายเนะลก็ปากคอตัวเองตายกะจะตายนะนะเพอปากคอตัวเองนละ้วมันก็เจ็บปวดพอเจ็บปวดท่านเข้าใจเรื่องธรรมะมาอะไรมานะก็เห็นสภาวะต่างๆในนี้แล้วก็ได้บรรลุธรรมไปเป็นราอันใดอย่างนี้ก็มี นะฉะนั้นถ้าเราได้ฝึกสติสัมปชัญญะฝึกรู้กายรู้ใจฝึกมีความรู้ตัวไว้นะไม่ว่าจะมีเวทนาขนาดไหนเราก็สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ช่วยให้ไปสุปฏิโลกสวรรค์ในนี้ก็ต้ น, ตนหรือว่ายิ่งไปกว่านั้นอันนั้นก็เป็นช่วงสําคัญถ้าสามารถทิ้งกายยิ้ใจไปได้เพราะว่ามันเป็นช่วงโมเลกอลต่อเนะี่ยก็สามารถเป็นพระอริยเจ้าในลําดับต่างๆได้ แต่ว่าต้องเคยฝึกมาเนะี่ยไม่ใช่เดี๋ยวคอยตอนนั้นก่อนค่อยฝึกอันนี้คงไม่ได้กินนะต้องฝึกมาแล้วนะมันเป็นช่วงหมเลยวหงต่อเพราะว่าถ้าไม่มีโมเลยของต่ออย่างนั้นเราก็ไม่กล้าทิ้งอะไรตอนนั้นมันเด็กขาดแล้วเนี่ยว่าจะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีถ้าคนได้ฝึกมาแล้วเขาก็เด็ดขาดเด็ดเดีออกตอนนั้นได้นะครับฉะนั้นก็สามารถเป็นอริยเจ้าในลําดับต่างๆในตอนนั้นได้เลนะครับนี้ต่อไป พระพุทเจาก็ตรัสว่าสโสกายปริยันติกังเวทนาเวทยามานุกายปริยันติกังเวทนานเวทยามีติปชานาติถ้าพิสูรรูปนั้นได้เสวยเวทนาชนิดที่มีกายเป็นที่สุดก็คือเจ็บปวดทางด้านร่างกายมากจะตายอยู่แล้วก็รู้ว่าเราได้เสวยเวทนาชนิดที่มีร่างกายเป็นที่สุดเจ็บปวดมากก็จะรู้ด้วย เราก็ห่านอลนะแล้วก็จะทำได้ฝึกได้อย่างถ้าทุกวันนี้ถ้าเราเจ็บปวดร่างกายมากๆไม่รู้จะรู้หรือเปล่านะช่วนั้นอาจจะนึกอะไรไม่ออกแล้วก็ไปแล้วแต่อันนี้แล้วอยู่ที่กำลังของสติสัมปชัญญะนะครับการฝึกก็จะช่วยเราได้ตนอด น, นะทีนี้แม้กระทั่งชีวิตปริยันติกังเ ว, น, เวงนันเวทยยามานุ ภาพิสุจน์นั้นสเสวยเวทนาที่มีชีวิตเป็นที่สุดอันนี้ก็คือจะตายแล้วมีกายเป็นที่สุดก็การแตกเลก แ, แล้วก็มีชีวิตเป็นที่สุดคือตายชีวิตตัดปริยนติกรังร เ, เวทนางเวเยามีติปชานาติก็รู้ความจริงว่าเรากำลังสเสวยเวทนาชนิดที่มีชีวิตเป็นที่สุดอย่างนี้นะครับ แต่ให้เราฝึกมีสติสัมปชัญญะไว้นะแล้วก็จะสามารถรู้สิ่งเหล่านี้ไนดะ้จะสามารถเท่าทียแล้วก็ไม่หลงไปตามสิ่งต่างๆทีนี้ถ้าจะสูงขึ้นไปกว่า น, นั้นเหนือกว่าการแตกทําลายของกายเหนือกว่าการสิ้นชีวิตไปอีกอันนี้ก็คือพาาระอรหันต์กายสักเเอชาอุทธรรมชีวิ ต, ตปริยาดา เหนือกว่ากายแตกเหนือกว่าการสิ้นชีวิตไปไม่ต้องมาเกิดใหม่อีกแล้วคนนี้ก็จะรู้เวทนาทุกๆประการว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลินยินดีจิตใจของท่านก็จะมีแต่สมุเยินอย่างเดียวเท่านั้ น, นอันนี้ก็เป็นพระธรนนะั้ตรมน้ตรงสุดท้ายนะอิเทวะสัพพะเวตยิตานีิอนาพิณนิตานีิสีติภวิสติ อิติปช า, นานดิตนะเวทนาชนิดที่เหนือกว่ากายแตกไปชีวิตหมดไปทีนี้จะไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรไม่มีการมาเกิด อ, อีกแล้วคนที่จะไม่มีการมาเกิด อ, อีกแล้วก็รู้ว่าเวทนาทุกๆชนิดในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลินยินดีท่านก็จะมีแต่ ความสงบเย็นสีติภวิสัมบิตสีตีนแปลว่าสงบเย็นเป็นเวทนาชนิดสงบเย็นแบบนี้ก็จะเป็นราหันตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วก็หลังจากแตกรายนะี้ก็ไม่ต้องมาเกิดอีกส่วนสำหรับบุคคลที่ต้องมาเกิดอีกคนนั้นก็จะไปเกิดในสุปฏิโลกสวรรค์ตามสมควรเพราะว่าตอนตายมีสติสัมปัญญะไม่หลงลืม นะการมีสติสัมปชัญญะเนี่นะช่วยเราได้ทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องตลอดในชีวิตประจําวันก็ดีทําให้การทําการพูดการคิดนั้นไม่สเสะปสต์สปั่ไม่ไปทําผิดผิดพูดผิดผิดคิดผิดผิดจนเกิดกิเลสเกิดทุกข์ถ้ามันเกิดมาแล้วก็ไม่หลงไปยึดมันมากนักก็เอาเป็นเนครื่องฝึกฝนตนเองไปเรื่อยๆ ช่วยได้ตั้งแต่ในชีวิตประจำวันจะทําให้เราเข้าใจตนเองเพิ่มขึ้นเข้าใจโลกเพิ่มขึ้นแล้วก็ตอนจะตายตอนจะตายมีความเจ็บปวดมีอะไรเกิดขึ้นก็จะได้ไม่หลงไปตามความเจ็บปวดนะั้นจะได้ไม่ลงไปอามานะจะได้ไปสุปฏิโลกสวรรค์ถ้ายัางไม่เป็นอริยเจ้าหรือว่าถ้าได้เป็นแล้วก็ดีท่าหนึ่งเขาไปกว่านั้นก็เป็นพระลังค์ไปการมีสติสัมปชัญญะ แล้วก็ตามดูกายดูใจอะไรนี้มีประโยชน์ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดนะครับแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็อุปมาเรื่องประทีพน้ํามันอาศัยน้ํามันแล้วก็อาศัยไส้ประทีพน้ํามันจึงโคงมาได้เมื่อไส้และน้ํามันมันหมดไปแล้วประทีพน้ํามันก็หมดไปนะอันนี้ก็คือลักษณะของ พระาหารที่หมดเรื่องของกายของใจก็หมดเรื่องมาเสวยเวทธนาชนิดต่างๆได้าไทยก็มีอยู่แล้วนะให้กลับไปอาป่านเองใครรู้เรื่องบ้างใม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรนะนะในสูตรนี้ก็มีประโยคสํสำคัญอยู่ประโยคที่ท่านแสดงเอาไว้เรื่องสโตอิกเวทิกขู สัมปชานโนกาลังอาทมยะเท่านี้ก็พอถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วก็เข้าใจได้ทั้งหมดแต่ถ้ายังไม่เข้าใจตรงนี้เราก็อธิบายอา่านคำอธิบายแล้วก็มาฝึกฝนนะครับแล้วพระองค์ก็บอกอาธิสงไว้ด้วยว่ า, าถ้าฝึกฝนไปแล้วจะรู้ความจริงอย่างนี้อย่างนี้อีกนี้จะละ ก, กิเลสอะไรได้บ้างจะละราคาอุสัสปฏิกานุสั ย, ยอวิชชานุสัยได้ แล้วก็จะเป็นคนหมงศิล่าวันนี้ก็สมควรในเวลาตอนนี้นะครับอนุโมทนา